ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ห้าสิบเก้าว่าถึงเรื่องความสุขขั้นเหนือปรุงแต่งก็คิดว่าจะไม่ยาวนี่เราก็พูดกันมาแล้วถึงความสุขหลายระดับนี่ระดับนี่ก็ถือระดับสูงสุดนี่ความสุขนี่ก็ มีข้อย้ำอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามันก็ดีแต่ว่ามันก็มีโทษได้ในแง่ที่ว่าไปหลงติดอย่างที่ว่าไปแล้วถ้าไปติดปั๊บแล้วก็เกิดปัญหาทันทีติดหลงเพลิดเพลินมัวเมาก็ทำให้เกิดความประมาทเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านอกจากให้เป็นสุขที่ชอบทำแล้วก็ยังไม่ให้หลงติดเพลิน สยบด้วยแต่ความสุขแทบทุกอย่างก็จะมีติดได้มีอยู่ขั้นเดียวเท่จะไม่ติดก็คือความสุขขั้นเหนือปรุงแต่งนี่แหละขั้นเหนือปรุงแต่งนี่ไม่ติดแหละถึงมีสุขก็ไม่ติดเพราะว่ามันเป็นความสุขที่บรรลุด้วยจิตของผู้ที่เป็นอิสระแล้วนั่นมันก็เลยไม่มีเชื่อ ที่จะให้ติดหมายความว่าตัวเหตุปัจจัยที่จะทำให้ติดมันไม่มีท่านผู้บรรลุสุขขั้นสูงสุดนี้แต่กระทั่งนี้ก็ต้องหมายถึงว่าหมดกิเลสอาสวะก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองเดี๋ยวนี้จะพูดอย่างนี้มันก็ยังอาจจะทำให้มีแง่คือว่าเป็นสุขที่มัเหนือปรุงแต่งนี่ในกรณีที่เป็นพระอริยะอื่นๆยังไม่เป็นพระอรหันต ก็อาจจะยังติดเพลินได้เหมือนกันที่ว่าไม่ติดเพลินนี่ก็หมายถึงนี่แหละต้องเป็นพระอาหารหันต์เพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทำให้ติดมีจิตเป็นอิสระโดยสมบูรณ์นั่นเราก็พูดได้ในแง่ว่าสุขที่เป็นอิสระสุขเหนือปรุงแต่งขั้นสูงสุดนะก็หมายถึงสุขของพระอาหารหันต์ผู้บรรลุนิพพานโดยแท้จริงแล้วเนี่ยจึงจะไม่มีการติดเพลินอีก อไม่ติดเพลินก็ไม่มีทางที่จะประมาทพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าพร ะ, พระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่อาจจะประมาทนี่การที่เข้าถึงความสุขระดับที่เหนือปรุงแต่งก็เป็นการเข้าถึงได้ปัญญาปัญญานั้นเข้าถึงความจริงนั่นเองหมายความว่าได้รู้เข้าใจ สังขารหรือเห็นโลกและชีวิตนี้ตามเป็นจริงหรือจะใช้ํานวนว่าตามที่มันเป็นก็ได้เมื่อรู้เห็นตามที่มันเป็นเข้าถึงความจริงแล้วจิตที่เข้าถึงความจริงแท้นี่มันก็ไม่มีอะไรจะปรุงแต่งลนะเนเพราะความจริงมันไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งเมื่อเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาก็เกิดความเป็นอิสระ เป็นความสุขประเภทโล่งโปร่งเบาเหมือนอย่างคนที่ว่าจิตยังไม่โล่งไม่โปร่งยังมีความติดข้องมีความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างมันก็ยังมีความไม่สว่างไม่โปร่งไม่โล่งอย่างคนที่ดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกในระดับของสามัญชนเนี่ย ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรต่างๆพอไปติดขัดยังไม่มีปัญญารู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งอย่างนั้นอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรความติดขัดก็เกิดขึ้นในขนานั้นแม้จะได้สิ่งบำรุงบำเรอสบายอย่างไรมันก็จิตมันก็คล่องมันก็ไม่ได้โปร่งได้โลงนี่เมื่อไราเกิดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างไรเนะี่ยความโล่งโปร่งเบาก็เกิดขึ้น ก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์เป็นอิสระหรือดับทุกข์ได้อันนี้มันเป็นความสุขในตัวเองเลยการที่ว่าหมดปัญหาจิตไม่ติดขัดรู้ว่าจะต้องทําอะไรแต่ละอย่างไงการที่รู้เข้าใจทางปัญญาเนี่ยเป็นความสุขอยู่ในตัวเองแต่เป็นความสุขที่มีลักษณะแปลกคือว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ต้องการการบำรุงบำรเรออะไร เนี่ยมันรู้เข้าใจความจริงก็เกิดความโปร่งโล่งเบาก็สบายความสุขแบบนี้ถ้านเรียกว่าเป็นความสุขแบบไร้ทุกเนะคือไม่มีความทุกหรือว่าดับทุกหรือจะใช้คำยังไงก็แล้วแต่นะีอันนี้ปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเนะี่ยอันนี้มันจะรู้เข้าไปจนถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต ในขั้นสุดท้ายอย่างที่เคยพูดไปแล้วก็คือรู้สภาพของสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่มันเป็นไปตามความจริงของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่อยู่ในภาวะเดิมและไม่มีใครเป็นเจ้าของขบัคขบัญชาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยความรู้ความเข้าใจความจริงอย่างเนี้ย จนถึงกระทั่งว่ารู้สว่างล่งมันก็ทำให้จิตเนี่ยวางตัววางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าในธรรมชาติสังขารทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยปรากฏแก่มนุษย์ในความสัมพันธ์แก่มนุษย์ว่ามันไม่อยู่ในภาวะที่ตัวต้องการ อันนี้ภาวะที่มันไม่อยู่ในสภาพของมันอย่างเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยมันก็เป็นภาวะของสิ่งนั้นตามปกติเป็นธรรมชาติของมันเราเรียกโดยสัมว่าเป็นทุกข์นี่ภาวะที่เป็นทุกข์ในสิ่งทั้งหลายมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่นี้พอมาสัมพันธ์กับมนุษย์มนุษย์นี่ไปวางททีมีความต้องการต่อมันเนี่ย เมื่อมีความต้องการก็ต้องการให้มันอยู่ในภาวะอย่างหนึ่งที่ตัวปรารถนาเมื่อมันไม่มอยู่ในภาวะนั้นก็เกิดเป็นทุกข์ในใจคนด้วยอันนี้ก็คือลักษณะจิตใจของปุถุชนที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นพอมีปัญญารู้แจ้งว่าสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นสภาพของมันอย่างนั้นะที่มันเกิดดับไม่อยู่ในภาวะที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้น มันเป็นภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลงการตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันก็เรียกว่าเป็นทุกข์ตามธรรมชาติตอนนี้เพราะปัญญารู้เนี่ยมันรู้แต่ภาวะที่เป็นทุกข์ในธรรมชาติของสิ่งนั้นเองแต่ว่ามันไม่มีไอ้เจ้าตัวความต้องการความปรารถนาของตัวเองต่อสิ่งนั้นที่จะไปขัดขืนกันมันก็เลยกลายเป็นว่า ทุกที่เป็นสภาวะอยู่ในธรรมชาติก็เป็นภาวะในธรรมชาติของมันอย่างนั้นไม่เข้ามาก่อให้เกิดเป็นทุกข์ในจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นภาวะที่หลุดพ้นเรียกว่าความพ้นทุกข์เพราะนั้นจิตใจก็จะวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายนี้ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดเป็นปัญหากับตนเองนี่ความสัมพันธ์ในปัญญามก็จะมีออกมาสู่ เรื่องของการที่ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะดําเนินชีวิตอย่างไรด้วยในคนทั้งหลายในะอยู่ในโลกนี่ก็หนึ่งก็มีความปรารถนาต่อสิ่งเหล่านั้นมีความต้องการให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการ 2. ในการดําเนินชีวิตในประการปฏิบัติเนี่ยเขาแยกไม่ออกเขาก็นึกว่า มันไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาก็เกิดความขัดแย้งปะทะกันก็เกิดปัญหาที่เรียกว่าความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราจะเปรียบุปมาณก็เหมือนกับว่าเราพูดเป็นกระแสไปว่าใจของคนเราเนี่ยเวลาไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็มีความต้องการต่อสิ่งนั้นอยากให้เป็นอย่างงน้นอยากให้เป็นอย่าง น, น, า น, างนี้การที่อยากให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เราเรียกว่าเป็นกระแสคือกระแสความต้องการหรือกระแสความอยากก็ค uh> uh uh ือกระแสตัณหานั่นเองกระแสความอยากกระแสตัณหากระแสความปรารถนาเป็นกระแสของคนเราในใจกระแสในใจของคนที่คนเราเกิดความรู้สึกนึกคิดก็เรียกง่ายๆว่ากระแสของคนกระแสของคนก็คือการกระแสของความอยากความปรารถนาต่อสิ่งทั้งหลายทีนี้ ตัวสิ่งนั้นนั่นเองล่ะที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็มีความเป็นไปของมันนะความเป็นไปของมันเองนั้นคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมั น, นตามกฎธรรมชาตินั้นเราก็พูดได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมตอนนี้มันก็เท่ากับ ว, ว่ามีกระแสสองกระแสหนึ่งกระแสของ ความอยากความต้องการในใจของคนหรือกระแสตัณหาพูดสั้นๆว่ากระแสของคนนะก็คือการที่จะให้สิ่งนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้กระแสหนึ่งนะทีนี้กระแสของไอ้เจ้าตัวสิ่งนั้นเองก็คือกระแสของกฎธรรมชาติหรือกระแสธรรมะกระแสความจริงการที่สิ่งนั้นเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันนะตอนนี้เท่ากับว่าสิ่งเดียวกันเนี่ย อยู่ในสองกระแสะสิ่งนั้นอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนก็อยู่ในกระแสะของตัณหาความปรารถนาและตัวมันเองก็อยู่ในกระแสะแห่งเหตุปัจจัยของมันนะมีสองกระแสะโดยที่สิ่งเดียวกันนั้นอยู่สองกระแสทีนี้เมื่อมันมีสองกระแสะเนี่ยเจ้าสองกระแสะนี้ โดยมากมันจะไม่ตรงกันไอกระแสความอยากของคนอยากจะให้มันเป็นอย่างงี้ส่วนไอสิ่งนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสความเป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยของมันอันนี้พอว่าสองกระแสนี่ไม่เหมือนกันกระแสความอยากของคนอยากให้เป็นอย่างนั้นไอกระแสน เ, นเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นมันก็เป็นไปอีกอย่างนึงเกิดการขัดแย้งกันเนี่ยถามว่ากระแสไหนชนะเนี่ย กระแสความอยากให้เป็นของคนในใจอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นงั้นกกระแสของมันเองที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยกระแสไหนชนะกระแ ส, สเหตุปัจจัยก็เป็นกระแสของมันเองก็ชนะเมื่อกระแสเหตุปัจจัยชนะสองกระแสนี้ขัดแย้งกันแล้วกระแสของคนแพ้นี่กระแสของคนก็ถูกบีบ ถูกบีบก็เกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาใช่มนี่คือปัญหาของมนุษย์อันนี้แหละครับก็เป็นสองกระแสกระแสคนกับกระแสธรรมชาติหรือกระแสตัณหากระแสของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันขัดกันนี่คือเรื่องของมนุษย์ที่เกิดทุกข์โดยทั่วไปนอันนี้มนุษย์อย่างนี้ก็เกิดมีความทุกข์ แน่นอนเมื่อไปสัมพันธ์กับอะไรก็ตา่างจะเอาแต่กระแสตัณหากระแสความปรารถนางตัวแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ทําตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่ได้ผลหนึ่งตัวเองก็ทุกข์สองก็ไม่ได้ทําตามเหตุปัจจัยได้ปัญญามันก็ไม่ได้ผลที่ต้องการอีกทั้งทุกข์ด้วยทั้งไม่ได้ผลด้วยทีนี้พอมาพัฒนาตามใจศกขา ก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาตอนนี้แทนที่จะเอาตามความอยากของตัวเองว่าอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงกำหนดอาว่ตตัวเองต้องการอะไรแล้วก็รู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยของมัน <c oughs> ใช่อย่างนีเ้เราก็รู้แล้วว่าเออถ้าเราต้องการจะให้เป็นยังไงเราก็ต้องไปทำตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ เอาเป็นว่าเออรู้ทันแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยของมันมันจะไม่เป็นไปนตามความอยากความปรารถนาหรือตัณหาของเราแน่นอนนั้นถ้าจะให้มันเป็นอย่างไรนะ่ะก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยของมันนะเมื่อศึกษาเหตุปัจจัยของมันได้ความรู้เข้าใจได้ปัญญานี้รู้เหตุปัจจัยแล้วก็ทำตามเหตุปัจจัยนะ อ๋อเหตุปัจจัยจะให้เป็นอย่างนั้นมันจะทําให้เกิดผลที่เราไม่ต้องการเกิดผลเสียเราก็ไปแก้ไขกําจัดป้องกันเหตุปัจจัยนั้นเสียนี้เราจะให้มันเป็นยังไงเราก็ไปศึกษาจะเหตุปัจจัยอะไรจึงจะทําให้เป็นอย่างนั้นเราทําให้ตามเหตุปัจจัยนั้นก็จะได้ผลเท่าที่ทําเหตุปัจจัยได้สําเร็จใช่ไหมตอนนี้ หนึ่งกระแสะในใจของคนเปลี่ยนเป็นกระแสะปัญญาไม่ใช่กระแสะความอยากมาเป็นตัวกําหนดเป็นกระแสะปัญญากระแสปัญญาก็ไปรู้สิ่งนั้นตามเหตุปัจจัยของมันที น, นี้สิ่งนั้นเองมันก็เป็นไปตามกระแสะเหตุปัจจัยของมันกลายเป็นว่ากระแสะปัญญาในใจคนกับกระแสะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นเป็นกระแสะเดียวกันไปแล้วกลมกลืนกัน ตอนนี้ไม่เกิดความขัดแยง้งนะกระแสของคนก็คือกระแสปัญญาที่รู้สิ่งนั้นตามเหตุปัจจัยเข้ามันแล้วกระแสขอ ง, งสิ่งนั้นเองก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้ามันเป็นอันว่ากระแสคนกระแสปัญญากระสานเป็นกระแสเดียวกันแล้วตอนนี้ไม่มีความขัดแยง้งนั้นเราก็รู้ตามเหต<า>ุ <nói> ปัจจัยว่าอะไรมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จแค่ไหนตามเหตุปัจจัยเข้ามนแล้วเราทาตามเหตุปัจจัย หนึ่งใจก็ไม่ทุกสองทำได้ผลดีที่สุดถ้ามันไม่สาเร็จก็รู้อีกแหละก็รู้ว่าอ๋อเหตุปัจจัยมันไม่พอที่จะให้เป็นอย่างนั้นเราอาจจะศึกษาเหตุปัจจัยรู้ไม่ทั่วถึงก็แก้ไขโดยไปพัฒนาปัญญาขาองเราไปศึกษาเหตุปัจจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันก็จะไม่ทุกนะหรือแม้มีทุกนี่ก็จะเริ่มมี ความสามารถในการแก้ปัญหาแก้ทุกข์ได้ดีขึ้นอ่านะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตของท่านผู้ที่อยู่ด้วยปัญญาเพราะนั้นพระอรหันต์นี่ท่านพ้นจากการอยู่ด้วยตัณหามาเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นผู้หมดกิเลสก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่หมดกิเลส เ, เฉยแต่หมายถึงอยู่ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริง แล้วทำการไปตามปัญญาแล้วก็ด้วยความรู้เท่าทานเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนะแป น, นว่าทั้งจิตที่รู้เท่าทานก็ไม่ทุกข์สบายโปร่งโลงแล้วก็แถมทาการก็ได้ผลด้วยพระธรรมตรงตามเหตุปัจจัยของมันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นลักษณะจิตใจของผู้ที่ว่าไม่มีความทุกข์จะมีความสุขแบบที่ว่า ไม่มีการปรุงแต่งหรือเหนือปรุงแต่งทีงนี้เมื่อท่านอยู่ได้ปัญญาอย่างนี้จะไม่เก็บเอาอารมณ์ต่างๆมาปรุงแต่งจิตใจสิ่งต่างๆนี่จะไม่ตกค้างเพราะฉะนั้นพระหลานจะมีลักษณะอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าไม่มีอะไรค้างใจคนธรรมดานี่จะมีปัญหาเรื่องสิ่งค้างใจนี่เยอะ เมื่อสิ่งค้างใจมันก็มาระคายกระทบกระเทือนติดขัดรบกวนในใจให้ไม่สบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบานี่พระหันนี่ก็ไม่มีอะไรค้างใจใจก็โล่งโปร่งแล้วด้วยปัญญานั้นก็เป็นเป็นจิตที่มองอะไรแต่อะไรไปในระบบความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลาย ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนเป็นจิตไร้พรมแดนเดี๋ยวนี้เราใช้คําว่าโลกาภิวัตหมายถึงว่าไร้พรมแดนแต่ว่าในขณะที่โลกไร้พรมแดนทางด้านการข่าวสารข้อมูลเรื่องรูปธรรมแต่จิตของมนุษย์นี่ยิ่งแคบใหญ่เลยใช่ไหม <laughs> จิตมนุษย์ยุคนี้ตรงกันข้ามกับสภาวะของเรื่องการสื่อสารเรื่องของความเจริญของโลก เราพูดกันด้วยความภูมิใจว่าโลกไร้พรมแดนแต่จิตของมนุษย์ยิ่งแขบหนักขึ้นไปอีกนะมีแต่สิ่งที่คั่งค้างในใจมีแต่สิ่งที่บีบคั้นมีแต่ความคับแแคบลงไปทุกทีนี่จิตพระอรหันต์นี่ท่านไร้พรมแดนอันนี้ถ้าหากว่าโลกมันไร้พรมแดนแล้วจะทําให้คนอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดีก็ต้องพัฒนาคนให้จิตไร้พรมแดนด้วย แต่ น, นี่มันสวนทางกันเด่นในจุดจิตคนมันคับแคบที่สุดยิ่งโลกยิ่งขยายกว้างไร้พรมแดนจิตคนก็ยิ่งแคบขึ้นทุกทีปัญหาก็ยิ่งหนักขึ้นไปพระอรหันต์ก็แปลว่าเป็นผู้มีจิตไร้พรมแดนอันนี้ไม่มีอะไรค้างใจไม่มีอะไรกังวลจิตก็สบายไม่มีอะไรถูกรบกวนเลยไม่มีอะไระรักใครเคืองในจิตอย่างนี้เป็นจิตปลอดโปร่งสบาย เป็นภาวะที่พร้อมที่จะเสวยสุขอื่นๆสุขอย่างนี้เป็นสุขพื้นฐานของความสุขอย่างอื่นคนเราที่อยู่ในโลกนี่จอแสวงหาความสุขระดับต้นๆเนี่ยนะพอมองลึกลงไปในใจเนี่ยมันมีอะไรติดค้างในใจมีความห่วงมีความกังวลมีความหวาดหวัน่นมีความระแวงอย่างคนมนุษย์ที่อยู่ในระดับของความสุขจากการเสพ รการมาสุขสามิสุกเนี่ยเมื่อไม่พัฒนาจิตของตัวเองะในขณะที่อยู่กับสิ่งเสพเหล่านั้นจิตไม่ได้มีความโปร่งโลง่งมีความหวั่นหวาดมีความระแวงมีอะไรต่างๆมีความขุนโมเ้าะหมอเพราะฉะนั้นไอ้สุขอ น, นั้นก็สุขไม่เต็มที่อ่ะสุขไม่โลง่งไม่โปร่งเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่ามาช่วยทำให้ตื่นเต้นไปชั่วคราวหรือมาเป็น แม้จะได้สมาธิก็เป็นสิ่งกล่อมเพราะให้ตัวนี่หลบหรือกลบความทุกข์อะไรแต่อะไรมันจิตใจลึกซึ้งลงไปเนี่ยมันไม่ปลอดโปร่งไม่บริสุทธิ์อันนี้ถ้าหากว่าได้พัฒนาจิตอย่างเป็นพระอริยะบุคคลพระจิตที่เป็นสุขจากไม่กิดปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีอะไรไปรบกวนและขายเคืองในจิตที่ลึกเพราะฉะนั้นมันเป็นความพร้อมของการที่จะสวยความสุข จะไปเสวยความสุขอะไรก็ได้เต็มที่จะไปเสวยสุขจากสมาธิก็ได้สุขเต็มที่ใช่ไห ม, ไ ม, ม ไ, ไ, ไม่มีอะไรลึกลงไปไม่มีอะไรรบกวนหรือแม้แต่มาเสพกามาสุขก็สุขเต็มที่อีกเพราะฉะนั้นถ้าพระโสดาบานันโสดาบันนี่ยังเสพกามอยู่นะโสดาบันเป็นอริยบุคคลแต่ก็ในสุขในแง่ของอิสระก็ยังไม่สูงสุดยังไม่บริบูรณ์แต่เรียวกว่าท่านอยู่ในแนวทางนี้แหละ เป็นผู้มีสุขในระดับเป็นโลกุตระด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ยังเสพกามอยู่ยังมีครอบครัวอยู่ <c oughs> นั้นคนที่ในใจเนี่ยลึกลงไปไม่มีอะไรละขายเคืองมีสิ่งละขายเคืองน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อมาอยู่กับความสุขแบบฟุุชนก็จะมีความสุขนั้นเต็มที่ด้วยใช่ไห ปุถุชนนี่เราพูดได้เลยเนี่ยตามปกติเสพสุขเนี่ยในใจมันยังมีอะไรระคายเคืองอยู่ไม่สุขเต็มที่อ่ะนี่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างพระโสดาบันกับมนุษย์ปุถุชนว่าพระโสดาบันนี่มีทุกข์เหลือน้อยเหมือนอย่างคนเหมือนอย่างคนปุถุชนนี่ทุกข์ที่เหลือนี่เหมือนภูเขาหิมาลัย ทุกในใจของพระโสดาบันเหมือนทษมืนก้นกลวดแบบนั้นเราคิดดูสิว่าทุกในใจของพระโสดากระทุกข์ของผุ้สุชนนี่ต่างกันแค่ไหนนะฮะอันนั้นไอ้ส่วนละคายเคืองในใจมันมีน้อยแล้วเกิด น, นั้นท่านจะเสพส่วยความสุขอะไรท่านก็สุขได้เต็มที่เพราะว่าลึกลงไปข้างในไม่มีสิ่งที่จะมาก่อกวนละคายเคืองจิตใจอย่างที่ว่ามาแล้วนะ แต่ยังไงก็ตามถ้าไปเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมที่สุดที่จะสวยสุขทุกอย่างและจะสวยสุขอะไรก็ได้เต็มที่เนี่ยแต่บางทีกลายเป็นว่าพอเอาเขาจริงท่านก็กลับไม่มาสวยความสุขขั้นที่เป็นต้นๆขั้นพื้นฐานเพราะอะไรนี่ก็มีคําเปรียบเทียบมี พุทธพจนเปรียบเทียบไว้เป็นคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพราหมณ์ชื่อมาคันธิยะนะก็ผมก็เคยเามาเล่าแล้วนะเช่นอย่างเรื่องกรณีที่ว่าเหมือนกับคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนแต่ก่อนนี้ถ้าได้เกาที่คันนะหรือเอาตัวไปย่างไฟก็มีความสุขแต่ต่อมาพอหายโรคมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้ว ก็ไม่เห็นไม่อยากมาเสพสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟอีกใช่หมนี่หรือจะ เ, เพราะฉะนั้นคนก็จะมีความสุขส์แบบคือสุขแบบเก่าที่คันกับสุขแบบไม่มีที่คันจะต้องเก า, น เ, าเนี่ยเออเนี่ยสองแบบเนี่ยคนที่มีที่คันจะต้องเกานี่มันก็ได้ความสุขจากการเก่าที่คัน แต่คนที่ไม่มีที่คันจะต้องเกามันเป็นความสุขอยู่ในตัวเขาก็ไม่เห็นความจําเป็นจะต้องไปเก่าอะไรใช่ไหมะรหบเขาดูว่าเอ๊ะจะไปเกากลับเป็นทุกข์สียดิบซ้ํามันไม่เห็นน่าจะต้องเกา่าอันนี้มันก็เลยใจของคนที่อยู่ระดับสูงนี่คนระดับล่างก็มองไม่ถึงว่าเอ๊ะธรรมไฟท่านจะไปอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ถ้าท่านมีสิทธิ์แล้วถ้าท่านจะสวยสุขอย่างเนี้ยท่านจะสุขอย่างสมบูรณ์เพราะาท่านไม่มีอะไรที่จะมาลอยคายเคืองในใจ วัดวันกังวลอะไรที่จะทำให้มุมหม่องที่ทำให้สุขมันไม่เต็มที่นอันนี้มีอย่างอุปมาไว้อีกพระพุทธเจ้าก็ตัดอุปมาเปรียบเทียบไว้บอกว่าอย่างเด็กที่เกิดใหม่ๆนี่เล่นแม้แต่มูดคูดของตนเองคือเล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเองแล้วเด็กนั้นก็สนุกสนานใช่ไหมฮะอ่าวทีนี้ต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นก็เลิกเล่น อุจาระปัสสาวะของตนเองแต่มาเล่นเครื่องเล่นต่างๆของเล่นของเด็กรถคันเล็กๆเครื่องบินลำเล็กๆเรือลำเล็กๆปืนบ้างอะไรบ้างนะสายบ้างเล่นไปเถอนะเล่นเหล่านี้แล้วหมอเล็กๆอะไรต่างๆแล้วก็รักสิ่งเหล่านี้มีความยึดติดผูกพันอย่างยิ่งเลย รักอย่างชีวิตเลยนะเด็กบางคนนี่ของรักของเขานี่ใครไปแตะนี่จะร้องให้นะ่ะเหมือนเป็นชีวิตของเขาเลยใช่ไหมฮะแล้วผู้ใหญ่ไปดูไปเห็นเด็กมีอาการอย่างเนี้ยก็จะขำใช่ไหมบางทีก็ไปแกล้งเด็กไปล้อดเด็กนะ่ะเห็นเขารักของนี่มากแกล้งดึงเอาไปเส้นเด็กก็จะร้องให้เป็นวักเป็นเวรอันนี้ตอนนั้นเด็กนี่ก็มีความสุขจากของเล่น เล็กๆในน้อยอย่างนี้ต่อมาเด็กคนนี้โตขึ้นพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะไม่เห็นเป็นความสุขที่จะมาเล่นของเล่นนี่อีกถูกมฮะเขาก็ไปสุขจากเรื่องของหนุ่มๆสาวๆทีนี้ถ้าจิตพัฒนาไปเป็นพระหันมาเห็นหนุ่มสาวมีความสุขแบบนี้ก็เหมือนกับคนผู้ใหญ่ที่ไปเห็นขอเด็กเล่นของเล่นหรือไปเห็นเด็กตัวเล็กๆเล่นหมุดเล่นขูด เพระนจิตของคนก็พัฒนาได้เป็นระดับระดับนี้พุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเนี่ยถ้าเราได้ไม่บรรลุสุขที่ประณีตสูงกว่าเราก็รับรองตัวเองไม่ได้ว่าจะไม่เวียนกลับมาสู่กามาสุขนะพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยแต่นี้เพราะเราได้บรรลุสุขที่ประณีตสูงกว่าเราจึงไม่เวียนกลับมาหากามาสุขนะอันนั้นก็ที่พระพุทธเจ้าไม่เวียนมาไม่มายุ่งกับเรื่องเหล่านี้ ก็ เ, เพราะว่าจิตเนี่ยมันเหนือระดับขึ้นไปแล้วนะมีสุขที่สูงกว่าเหนือกว่าอันนี้ก็เป็นสุขเนี่ยระดับที่เรียกว่าพุทุชนมองไม่เห็นไม่สามารถจะเข้าใจเป็นสุขระดับเหนือปรุงแต่งนะอันนี้ลักษณะของสุขแบบนี้ก็จะเป็นสุขที่มีอยู่ประจําในตัวเองเลยกลายเป็นคุณสมบัติของตัวเอง ความสุขกลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตจิตใจของท่านพุนนั้นแต่ก่อนนี้ตอนต้นเนี่ยความสุขมันไม่เป็นคุณสมบัติภายในนะเป็นสิ่งที่ต้องหามนุษย์ยุคนี้ก็จะพูดกันบ่อยว่าหาความสุขการที่พูดว่าหาความสุขนี่เขาเท่ากับยอมรับว่าตัวเองไม่มีความสุขอยู่ในตัวใช่ไหมเออความสุขนี้ต้องไปหาก็แสดงว่าตัวเองขาดความสุขนั้น ก็ไปเที่ยววิ่งทยานหากันก็เลยแย่งกันเพราะว่าความสุขนั้นต้องหาก็แย่งความสุขกันพอแย่งความสุขกันคนหนึ่งได้สุกคนหนึ่งก็ได้ทุกไปเมื่อคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็อดนีความสุขที่ต้องหานี่ตัวเองขาดแคลนด้วยและเป็นเหตุให้เกิดการแย่งชิงเบียดเบียนกันนี่พอพัฒนาไปพัฒนาไปความสุขนั้นอยู่ภายในตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องไปเที่ยวหาจากภายนอกไม่ขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพ ก็เป็นอิสระมากขึ้นความสุขนี่จะเป็นอิสระมากขึ้นตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดที่ว่าเหนือการปรุงแตง่งในที่สุดความสุขจะกลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตจิตใจเป็นของมีอยู่ในตัวนะและตลอดเวลาไอ้ความสุขแบบต้องหานี่มันไม่อยู่ในตัวด้วยและมันไม่อยู่ตลอดเวลาด้วยมันได้เฉพาะเวลาเสพแต่ความสุขแบบอิสระ นี้เป็นความสุขที่มีประจําตัวเลยคุณเป็นคุณสมบัติของชีวิตเมื่อมันเป็นคุณสมบัติของชีวิตมีติดตัวอยู่ตลอดเวลานี่ท่านก็ไม่ต้องหาความสุขอีกก็กลายเป็นคนเต็มน mm. ะเมื่อเป็นคนเต็มแล้วทำไงความสุขมันอยู่ในตัวไม่ต้องหาความสุขกว่าคนจะพัฒนามาถึงระดับนี้ได้เนี่ คุณสมบัติด้านอื่นมันเต็มบริบูรณ์หมดแหละนะศีลก็พัฒนามาจนสมบูรณ์จิตใจก็พัฒนามาจนสมบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ป่าปัญญาจะสมบูรณ์ด้านพฤติกรรมจิตใจก็มาสมบูรณ์ด้วยมาถึงจุดนี้อะไรแต่อะไรสมบูรณ์หมดแล้วความสุขก็สมบูรณ์เป็นคนเต็มภายในตอนนี้ท่านเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกสัพพะเรียกว่าเป็นผู้บรรลุประโยชน์ต้น คนเรานี่ปกติมันต้องหาประโยชน์ตนใช่ไหมมันหนีไม่พน้นแม้จะตั้งอุดมคติว่าให้พยายามบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้แต่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยให้บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆแต่ก็ยังต้องทําเพื่อประโยชน์ตนอยู่นั่นแหละอย่างพระโพธิสัตว์ก็คือยังไม่บรรลุนิพพานประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแห่งชีวิตของตนยังไม่ถึงนั้นพระโพธิสัตว์ก็ บำเพ็ญคุณธรรมความดีด้วยความเสสละด้วยความตั้งใจแต่ก็ยังมีเรื่องเพื่อตอนเองแต่พระอรหันนี่จะเป็นผู้ที่ว่าบรรลุประโยชน์ตนแล้วเพราะว่าพัฒนาตัวเองสมบูรณ์แล้วเป็นคนเต็มก็เลยไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกต่อไปนะจุดนี้ที่สําคัญที่พระอรหันต่างจากพระโพธิสัตว์พโพธิสัตว์จะเก่งจะบาเพ็ญความดียังไงนะบางทีบําเพ็ญความดีจนกระทั่ง คนอื่นทําไม่ได้เกอรดีไปก็มีบางทีนะหมายความว่าทัานสละเต็มที่ทําได้ปณิธานสละชีวิตของตนเองต่างๆได้หมดเพื่อทําความดีนั้นแต่ก็เพื่อจุดหมายคือบรรลุประโยชน์ตนคือพัฒนาตนให้เป็นพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่ต้องทําเพื่อตนเองอยู่แต่พระอรหันต์เน่บรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตนเองอีกเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ เพราะนั้นท่านก็ไ ม, ม่เมื่อไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกพลังชีวิตที่มีอยู่ก็เอาไปใช้เพื่อบำเพ็ประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะว่าพฤติกรรมจิตใจปัญญาพัฒนาดีแล้วมีความรู้ความสามารถาแล้วเข้าใจมนุษย์ผู้อื่ น, นเห็นเขามีความทุกข์เห็นเขายังไม่บรรลุประโยชน์ตนก็ตัวเองมีความสามารถไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกพลังชีวิตก็มีอยู่ก็เลย เดินทางไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยนะ์ไปช่วยเขาให้เป็นอิสระนะเขายัางไม่เป็นอิสระก็ไปช่วยเขาให้เป็นอิสระดังนั้นพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์โดยไม่ต้องมีการคำนึงถึงตัวเองอีกต่อไปเพราะตัวเองนี้มีสุขอยู่ประจำเป็นเนื้อตัวเป็นคุณสมบัติภายในแล้ว จะไปทําอะไรก็ได้ไปเดินทางไปจาริกไปไหนก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เอาความสุขไปเผยแพร่เอาความสุขไปให้แก่ผู้อื่นเป็นนักให้ความสุขได้เต็มที่บริบูรณ์เลยนี่ยนั่นก็ตรงข้ามกับมนุษย์บุรุชนที่มีทุกข์ก็เอาทุกข์ไประบายให้แก่ผู้อื่นแล้วไปหาความสุขให้กับตัวเองโดยแช่งแย่งความสุขกันส่วนพระอรหันต์นี่ มีความสุขบริบูรณ์แล้วก็เอาความสุขนั้นไประบายให้แก่ผู้อื่นไปแจกจ่ายความสุขไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือชีวิตของพระละหันเพราะนั้นก็ไป เ, เป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่อันนี้ลักษณะจิตใจที่เป็นพื้นของพระละหันก็ไปอ่านว่าอยู่ได้ปัญญาไม่อยู่ได้ปัญญาจิตใจนี้จะมีความรู้สึกที่เป็นพื้นก็คืออุเบกขาซึ่งเคยพูดไปแล้วนะ อุเบกขานี่ก็คือภาวะจิตที่มันลงตัวกับทุกอย่างซึ่งเคยอุปมาให้แล้วบอกว่าภาวะอุเบกขานี่เป็นภาวะที่เรียกว่าลึกซึ้งที่สุดจะเข้าใจได้ก็โดยอุปมาเขาขอเล่าอุปมาซ้ำอีกทีที่บอกว่าเหมือนอย่างสารถีขับรถมาหรือขับรถ ยนนี้ก็ได้เอาสมัยก่อนนี่ขับรถมาสารถีขับรถมานี่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนะเวลาขับรถมา้าออกมาตอนแรกก็จะต้องขยับแซ่ดึงวังเหียนอะไรต่างๆนี่เพื่อจะให้รถและให้ม้านำรถเนี่ยเข้าไปสู่ทางเมื่อนำรถเข้าไปสู่ทางวิ่งตรงทางดีแล้วความเร็วได้ที่แล้วเนี่ยสารถีที่มีความ ช, มนชมนานิชำนาญ มีปัญญารู้ว่าการขับรถม้านี่ทำยังไงแล้วถ้ามีอะไรปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไข ย, ยังไงได้ความรู้เข้าใจอย่างนี้จิตใจเขาจะสงบแนวดิ่งสบายเรียบรื่นมากโดยที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าม้าวิ่งเข้าที่ดีความเร็วสนิท ด, ดีตรงทางดีนะฮะเขาก็นั่งเรียบ จิตใจเขาเป็นอุเบกขาแต่เป็นจิตใจจิตใจที่เป็นอุเบกขานี่คือจิตใจที่มีปัญญารู้พร้อมเลยถ้ามาวิ่งผิดความเร็วนิดหนึ่งจะออกนอกทางนิดหนึ่งอะไรเนี่ยเขาจะแก้ได้ทันควันเลยจิตที่มีความรู้ปัญญาอยู่เต็มบริบูรณนะ์ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เรียบสงบดิ่งอย่างเงี้ยเป็นจิตที่เรียกว่าอุเบกขาอันนี้คนมนุษย์ทั่วไปเนี่ย ในการเดินทางชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับคนขับรถมาที่ยังไม่เชี่ยวชาญไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงจิตเนี่ยมันมีความหวาดหวั่นมีความกังวลอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาจิตมันไม่ลงตัวกับชีวิตของตนเองทีนี้พระอรหันต์นั้นมีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้ธรรมะรู้ความเป็นไปของกฎธรรมชาติจนกระทั่งจิตนี้ลงตัวพอดีกับชีวิตของตนเองแล้ว เพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความที่มีสติมีปัญญารู้เข้าใจเต็มที่จิตลงตัวก็เป็นอุเบกขาเป็นจิตที่เรียบสบายตลอดเวลาเลยนะนี่ก็เป็นอุปมาหนึ่งเพื่อหเห็นถึงลักษณะจิตใจว่าอุเบกขานี่สำคัญมันเหนือกว่าสุขสุขนี่ยังต่ากว่าอุเบกขาเนเพราะว่าสุขมันยังมีลักษณะที่ต้องอาศัยทาให อะไรคล้ายๆว่าเป็นการที่ยังไม่ไม่ลงตัวทีเดียวนะเพราะจิตลงตัวนี่มันจะเป็นอุเบกขาเรียบสงบเป็นจิตที่อยู่ในภาวะที่สูงมากนะก็อันนี้ก็ได้พูดมาคิดว่าในเรื่องของสุขขั้นเนื้อปรุงแต่งก็พอสมควรกับเวลา อา๋อนี่ของของเราเราเรามองในแง่ของการที่จะฝึกคนในมนุษย์ปุตุชนอ่าแต่พระอรหันต์ท่านจะเป็นปกติอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เราพยายามฝึกว่าทำไงให้คนนี้พยายามทำตามหลักการพุทธศาสนาขึ้นมาฝึกตัวขึ้นมาให้มองอะไรแคบๆมองให้กว้างนะ มองให้ไปทั่วโลกมองให้เห็นระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยในชีวิตในสังคมในโลกนี้ทั้งหมดแล้วคิดไกลเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยที่สืบมาจากอดีตไปสู่อนาคตอย่างไรใช่ั้ยแล้วฝ่ายสูงก็คือตั้งเป้าหมายดำเนินชีวิตหรือทำกิจกรรมเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดีงามไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเพื่อลาบยศอะไรต่างๆเป็นของที่ต่ํานมีอะไรสงสัยไหมฮะ ภาวะสูงสุดอย่างนิทานแล้วเนี่เาะถ่าทุกทก็น่าจะเหมือนกันหมดในคุณสมบัติแต่ทำไมเนี้ยมันก็ยังมีเรื่องของกิ่นีที่ติดวมามีือเรื่องของลักษณะที่แตกต่างันผมมอกว่านุกรรลสึกภาวะมันสงบนิ่งรับเรียบเข้ากจิตบริสุทธิ์มาสวัสด์ความกว้างเลยว่าจิตอะไรปัญญานี่เกิดตรงน้นเข้า มันมีมันมีส่วนที่เหมือนกันพระพุทธเจ้ายังจัดเลยบอกว่ า, วาพระพุทธเจ้าพระองค์เองกับพระอรหันต์ปัญญาวิมุตต์ต่างกันอย่างไรในแง่ของความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่ว่าต่างในแง่คุณสมบัติอื่นใช่ไหมอย่างความสามารถอะไรต่า ง, งๆก็ไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มันเกิดจากการสั่งสมด้วยใช่มนั่นอย่างความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่มีกิเลสก็เหมือนกัน แต่พลังที่จะใช้ขอบเขตความสามารถไม่เหมือนกันใช่ไห ม, หมยังแนวโน้มก็ยังไม่เหมือนกันอย่างพระมหากัสปะชอบอยู่ป่าใช่ไหมภาษาดีบุตรท่านชอบอยู่กับผู้คนไปช่วยเด็กเล็กเอามาเรียนหนังสือจัดชั้นให้อะไรสอนอะไรต่างๆท่านเอายุ่งกับเรื่องเหล่นี้ไม่เหมือนกันอัธยาศัยต่างๆกันไปนะ